บัณฑิตจักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งอุปสมานุสติคือการตั้งสติระลึกถึงความสงบคือพระนิพพานนั้นมีนยะที่ควรแก่การทำความเข้าใจและกำหนดแนวในการประพฤติปฏิบัติอีกหลายประการด้วยกัน าการแรกจะเห็นได้ว่าคำว่าอุปสมะนั้นทรงใช้ในชั้นพื้นฐานทั่วไปคือในอธิฐานในธรรมในระดับนี้แปลว่าสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบซึ่งหมายความว่าอารมณ์ใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นแก่จิตใจ อาจจะเป็นตัวการทำลายความสงบในขณะนั้นหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บุคคลกระทำความดีสืบต่อไปได้ก็ให้สงบใจจากความคิดในเรื่องเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าในขณะเดียวกันกับใจที่ต้องคิดอารมณ์เมื่อสงบจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกใจก็ต้องคิดอารมณ์ ที่ไม่เป็นขา้นสุดซึ่งเมื่อคิดไปแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเจริญเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นภายในจิตและคำว่าอุปสมะที่ได้ยินได้ฟังกันซ้ำซ้อนเป็นรอยๆครางนั้นก็คือคําว่าอุปสมะที่ปรากฏในคาถาทิจนาซากศพ ซึ่งผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับงานศพก็คงจะเคยได้ยินถ้อยคำประโยคนี้ที่ท่านใช้คำว่าอนิจจาวัตสังขาระแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนออุปดยุปวยะธรรมมิโ น, โนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป แต่สังโมประสโมสุขโขการเข้าไปสงบระงับในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นความสุขหรือเป็นบรมสุขดังนี้นยะแห่งอุปสมะที่กล่าวถึงนี้และเน้นไปที่การพลาดพลากของบุคคลอันเป็นทีิรักแห่งตนเป็นคาถาที่ปรารบการล้มหายตายจาก ของบุคคลอันเป็นที่รักมาตั้งแต่ต้นแม้ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคาเจ้าเสด็จตับขันธปรินิพานเท่าสะกฤตเทวราชก็ได้นำคาถานี้ขึ้นมากล่าวและได้ถือเป็นคาถากำหนดพินิจพิจารณาถึงซากศพในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับปุพเพเตรพรีอย่างที่ปฏิบัติกัน ในชันี้ก็คือการสอนให้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาปรับใจให้ยอมรับความจริงถึงธรรมดาซึ่งธรรมดาเหล่านี้ใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็คงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขของธรรมดาแต่การที่บุคคลสามารถปรับใจให้ยอมรับได้ย่อมไม่เศร้าโศกในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศก ย่อไม่ร้องให้พิรียพิไรรังพันในอารมณ์คนทั่วไปต้องร้องให้พิรียพิไรรังพันตลอดถึงความทุกข์ความโทมนัสเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์หล่านั้นซึ่งทรงสอนให้พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอนี่ก็คือตัวความจริงที่ไม่มีสังขารธรรมเหล า, หลาดายในโลกนี้ พ้นไปจากกฎเกณฑ์ข้อนี้ได้เปรตว่าสังขารทั้งหลายจะมีใจครองหรือไม่มีใจครองก็ตามที่เราเรียกว่าอุปาทิ น, นกะสังขารคือสังขารที่มีใจครองเช่นคนสัตว์อนุปาทิ น, นกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นภูเขาต้นไม้ก้อนหินแผ่นดินเป็นต้นแต่สรุปแล้วก็คือสังขาร เมื่อเป็นสังขารก็ต้องมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาประการหนึ่งลักษณะของความไม่เที่ยงที่ควรกําหนดพิจารณานั้นก็คือการที่สังขารเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการเสื่อมสลายและแตกทําลายไปในที่สุดส่วนช่วงเกิดถึงช่วงแตกทําลายนั้นจะช้าหรือนานก็ตาม แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือต้องมีการแตกทำลายแม้แต่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลก็มีพระพุทธบาลหารแสดงว่าถึงโอกาสหนึ่งโลกก็จะต้องแตกทำลายยิ่งสังขารทั้งหลายแล้วไม่มีสังขารเหล่าใดที่จะหลุดพ้นจากเงื่อนไขเหล่านี้ไปได้สังขารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อดํารงอยู่ ก็ประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจะเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดหรือเห็นได้ไม่ชัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของสังขารเหล่านั้นถ้าหากว่าเหตุปัจจัยันเป็นองค์ประกอบให้ความดารงอยู่ของสังขารเหล่านั้นมั่นคงความเปลี่ยนแปลงของสังขารเหล่านั้นก็เห็นได้ชัด เช่นความเปลี่ยนแปลงของภูเขากับความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้องค์ประกอบของความเป็นภูเขากับต้นไม้แตกต่างกันแต่สิ่งทั้งสองนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่ปรากฏเห็นได้ชัดนั้นต้นไม้เห็นได้ชัดมากกว่าองค์ประกอบของความเป็นภูเขานักแน่นกว่าแต่ภูเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงและการดำรงอยู่ของสังขารทั้งหลายนั้น เป็นการดำรงอยู่เพียงช่วขณะเท่านั้นเด็กมีาการไหลไปแบบกระแสน้ำกระแสไฟอย่างที่ทราบกันดังนั้นการเกิดขึ้นของสังขารและความเสื่อมของสังขารจึงเป็นธรรมประกหนจนถึงกับความแตกดับไปของสังขารก็เป็นธรรมดาอีกประกหนซึ่งเรื่องเหล่านี้ ในชั้นของการศึกษาที่เรียกว่าปริยัติหรือชั้นของการพินิษพิจารณาที่เรียกว่าขั้นปฏิบัติระดับหนึ่งนั้นก็ทำไม่ค่อยยากเกินอะไรเท่าไรแต่เมื่อเกิดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาซึ่งเป็นการพิสูจน์ทดสอบว่าเราได้เข้าถึงความจริงเหล่านั้นหรือไม่เป็นปัญหาที่ต้องจะต้องแสวงหาคาตอบ เพราะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วบางครั้งบางคราวแม้จะสวดอภินาะปัจเจเวคคณะกันมาเป็นเวลานานแต่พอสังขารที่เกิดขึ้นมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาก็ไม่อาจที่จะห้ามโสกะปริเทวาทุกโทมนัสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปสงบระงับในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้ เนื่องจา ก, กจิตใจยังไปยึดถือด้วยความเป็นเราเป็นของเราหรือแม้แต่ความเป็นตัวเป็นตนของเราในสังขารเหล่านั้นดังนั้นในชั้นนี้โบราณบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้แสดงนัยยะเพื่อเป็นหลักในการกําหนดระลึกรู้ถึงความจริงไว้โดยประการต่างๆเช่นว่าเมื่อมีการพลัดพรากจากไป ตามที่ทรงสอนให้พิจารณาว่าเราจะต้องพลัพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปซึ่งเป็นธรรมดาอีกประการหนึ่งนั้นเวลามีการพลัพรากไปจริงๆจิตที่ได้ฝึกปลืออบรมมาจะมีสติเป็นตัวรู้และปัญญาเป็นตัวเข้าไปรู้ถึงกรณีนั้นๆว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร ก้อนี้ถ้าลองตั้งขึ้นเป็นคําถามจะได้เป็นคําถามสามคำถามด้วยกันคือคําถามแรกได้แก่อะไรคําถามที่สองได้แก่อย่างไรในคําถามที่สามก็คือได้ประโยชน์อย่าง ไ, ไ, ด, ได้ประโยยชน์อ่างไรในกรณีของการพลาดพลาดนั้นสติระลึกทันว่าเป็นความตาย มีลักษณะยางไรคือเป็นธรรมดาประการหนึ่งของชีวิตการร้องไห้เสียใจจึงไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างที่ทรงแสดงไว้ในประสูตย์ว่าการร้องไห้การคร่ำครวญปิธีพิไรรำพันของญาติที่อยู่ในโลกนี้นั้นญาติผู้จากไปก็ไม่รับรู้ถึงความเศร้าโศกเสียใจของญาติ าการร้องไห้เสียใจในกรณีนี้จึงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นการทำลายตัวเองแม้จะถือว่าเป็นการเสียสละก็ไม่รู้ว่าเสียสละให้แก่ใครเพราะคนที่เราคิดว่าเราเสียสละให้เราเสียใจให้เขาก็ไม่รับรู้ความเสียสละเหล่านั้นของเราหรือความเศร้าสุขเสียใจของเราแล้วในกรณีที่สามารถปรับใจได้ แล้วก็อาจจะได้คำถามเช่นที่กล่าวแล้วคืออะไรความตายเนความพลดๆอย่างไรก็เป็นธรรมดาประการหนึ่งเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขขั้นธรรมชาติประการหนึ่งได้ประโยชน์อย่างไรก็เป็นการเรียนความจริงของชีวิตว่าทุกชีวิตนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้วันนี้เป็นวันตายของเขา นี้มเมื่อเรือนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้ในชั้นนี้ใจก็ชื่อว่าสงบในสังขารทั้งหลายลงไปได้คือไม่นำไปปรุงคิดไปคิดปรุงในกรณีที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะแม้จะร้องให้ให้น้ําตาเป็นสายเลือดอย่างที่ทราบกันก็ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นไปาตามที่เราต้องการได้เพราะว่า ข้อนี้เป็นกฎธรรมชาติอีกประการหนึองอ่งที่สุดกันว่ายังปิดชังนัลปฏิตามปิดุขังปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามปรารถนาก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์จึงทั้งหมดก็เป็นบทบทที่สวดบทที่สาธยายกันอยู่ส ม, สม่ำเสมอปัญหาสำคัญในกรณีนี้ ยึงจะต้องเป็นความรู้ซึ้งเข้าถึงใจที่มีสติระลึกทันมีปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาแล้วก็ตัดได้ทางนี้ต้องอาศัยความเพียรพยายามในการเพ่งพินิจพิจารณาต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะคือพิจารากันอยู่เสมอด้วยการปฏิบัติตาม น, นัยนี้บุคคลก็สามารถสัมผัส ขอบข่ายของนิพพานซึ่งมีลักษณะอาการที่กล่าวไว้ในวันก่อนถึง89ข้อด้วยกันแต่ให้เป็นนิพพานที่เรียกว่าสันธิกังนิพพานหงคือนิพพานที่เราเห็นได้ในขณะนั้นว่าเป็นการดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกจริงๆอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งชั่ววันหนึ่งหรือหลายวันหรือว่าเป็นเดือนหนึ่งเป็นต้น เราดับได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามนั่นคือความสุขที่สามารถสัมผัสได้จากการสงบระ ง, งบับกิเลสข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าในเรื่องความสุขกับความทุกข์นั้นนีเหตุปัจจัยที่อยู่ตรงกันข้ามแล้วตัวเขาเองก็อยู่ตรงกันข้ามกันเป็นลักษณะของความจริงของเหรียญที่อยู่คนละด้านกันเท่านั้นเองในขณะที่ กิเลสต่างๆเป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์นั้นกุศลและธรรมที่ทาหน้าที่บรรเทาสงบระ ง, งับดับกิเลสก็กลายเป็นเหตุแห่งความสุขในชั้นนั้นๆดังนั้นวัยพน์ของนิพพานที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็นดันมากดังที่กล่าวในวัก่อนในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งบุคคลสามารถที่จะปฏิบัติด้วยอาศัยสติสัมปชัญญะและความเขียน จึงได้ฝึกปรืออบรมมาด้วยหลักของอนาปานสติกรรมฐานเป็นต้นแล้วก็มีความกล้กลาามีความรวดเร็วว่องไวสามารถที่จะระลึกรู้และตัดสินอารมณ์ต่างๆได้แล้วก็ปฏิบัติไปตามสมควรแก่กระนิดนั้ น, น, นได้อย่างประการแรกที่ว่าทำอันเป็นเครื่องย่ำยีเสียซึ่งความเมาบรรดาความเมาทั้งหลายนั้น คนเราสามารถที่จะเมาได้มากมายได้เกิดจะอาจจะเมาในเรื่องรูปร่างทรัพสมบัติวิชาความรู้ฐานะทางสังคมเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นต้นซึ่งถ้าหากว่าบุคคลมีสติระลึกรู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตเป็นบทบาทที่ถูกกำหนดให้แสดงในละครของโลกเท่านั้นเอง หน้าที่ของเราก็คือพยายามใช้อุปกรณ์ในการดํารงชีวิตให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นกับใช้บทบาทที่ถูกกาหนดให้แสดงให้เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่กบุคคลอื่นมันก็หยุดยั้งความเมาไว้ได้ดังที่ทรงแสดงไว้ว่าเยโสรัฐานามัชเชยะคนได้ยศแล้วไม่ควรเมาแม้ในกรณีของลาภของวิชาความรู้ของรูปร่าง ของฐานะทางสังคมของทรัพย์สินเป็นต้นก็มีในยะเช่นเดียวกันเพราะถ้าเริ่มที่ความเมาแล้วต่อไปไมันจะกลายเป็นมานะคือความถือตัวด้วยอำนาจของยศทรัพย์วิชาวความรู้เป็นต้นพอมานะมีปริมาณสูงขึ้นมันจะกลายเป็นอติมานะคือดูหมิ่นบุคคลอื่นจนถึงก็ยกตนข่งแท่นแต่ถ้าตัวสติทำหน้าที่ระลึกรู้ตัดใชตั้งตั้งแต่ตอนต้นโดยการปรับใจให้ยอมรับความจริงตามที่กล่าวแล้ว มันก็สามารถบรรเทาความเมาเหล่านั้นได้เมื่อสามารถบรรเทาความเมาได้ก็อาจใช้อุปกรณ์เหล่านั้นหรือฐานะตำแหน่งเหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นได้เป็นนั้นมากก็ น, นี้มีตัวอย่างบุคคลให้เห็นทั้งสองด้านคือด้านที่มัวเมาในลาบในสักการะในชื่อเสียงในรูปร่างเป็นต้น กับบุคคลที่สามารถบรรเทาความเมาลงไปได้คือไม่ถึงกับย่ำยีความเมาให้พินาฏไปแต่ก็บรรเทาได้เมื่อความรุนแรงของความเมาเบาบางลงล้วก็อยู่ในจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาคือความสานึกเป็นความสำนึกรับผิดชอบต่อภาวะต่อหน้าที่ของตนทำ ต, ตนให้เหมาะสมแก่ฐานะแก่ภาวะเหล่านั้นจึนเป็นสมณะเปลาพูดส ง, งบ ก็สำนึกถึงความสงบที่จริงสมนะก็เป็นความเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันด้วยความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายเป็นอุบาสกุบาสิกาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นมันก็กลายเป็นสัญญาคือความสํานึกที่สัมพันธ์กับฐานะหน้าที่และความรับผิดชอบอันตนจะต้องกระทําให้เหมาะให้ควรแก่ความเป็นเหล่านั้นเป็นความเมาที่เจือจางแต่กลับอํานวยประโยชน์ในชั้นโลกียสุขได้เป็นอย่างดี ข้อที่สองที่เรียกว่าปีปาสวินโยคือธรรมที่เป็นเครื่องนําออกซึ่งความกระหายนี่จะเห็นได้ว่าต้องอาศัยการพิจารณาเห็นโทษของกิเลสสายโลภะไม่ว่าจะเรียกว่าปัญหาหรือเรียกว่ารติความยินดีเรียกว่านันชิความเพลิดเพลินเรียกว่าโลภะความโลภหรือความละโมบหรือความเพ่งเลี้งโลภจากได้กระทำเป็นเรื่องของกิเลสสายนี้ เมื่อเกิดความกระสันอยากในอารมณ์ความกระหายในสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออยากได้ในอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นสติจะทำหน้าที่ระลึกว่าอะไรก็ตอบได้ว่าความอยากความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินเป็นอย่างไรมีอาการร่าเริงมีอาการทำใจให้สายเป็นในอารมณ์ต่างๆไม่สามารถสงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ซึ่งบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับคนที่เพลินเข้าไปชมอุทยานซึ่งวิจิตรการตาด้วยผันไม้ดอกไม้นาน า, นานชนิดเป็นความเพลิดเพลินที่ลืมวันลืมคืนหรือเหมือนกับนกที่ทรงเล่าว่าเพลิดเพลินต่อกลิ่นหอมและรสหวานของเกสรดอกไม้ไปครุ่นคราวอยู่บน อยู่ในกอบัวจนดอกบัวเขาก็าหุบเกรบก็ไม่รู้ตัวและในที่สุดก็ถูกขังอยู่ในที่นั้นลักษณะของความกระหายในอารมณ์ต่งตางๆก็ทำนองนั้นบางครั้งทรงอุปมาไม่ใช่อุปมาคือเล่าเป็นนิทานบุคคลขึ้นมาว่ามีสุนัขกิ้งจอกตัวหนึ่งไปพบช้างตายก็กัดกิน กัดกินเนื้อช้างที่ตายนั้นด้วยความเพลิดเพลินและด้วยความกระหยิ่มด้วยความพอใจว่าปัจนี้เราไม่ต้องเดือดร้อนด้วยอาหารแล้วเพราะนี่มีเนื้อช้างอยู่เป็นจันนมากกัดกินจนตัวเองทะลุเข้าไปอยู่ในท้องช้างก็ยังไม่รู้สึกตัวต่อมาช้างถูกน้ําซึ่งเออล้นขึ้นมาดึงกลับลงไปในน้ํา แล้วก็ช่องที่สุนัขจิ้งจอกเข้าไปก็ปิดในที่สุดสุนัขจิ้งจอกนั้นก็ทุกข์ทรมานเพราะอาหารซึ่งตนกระหิ่มตน้นตนพอใจนั้นเองนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเวลาความอยากมันเกิดขึ้นถ้าครอบงำใจจนถึงกรุ่มรุมใจแล้วเหตุผลสติปัญญาที่จะพินิจพิจารณาในแง่อื่นในมุมอื่นนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ในชั้นนี้ถ้าสติระลึกทันโดยนิยะดดังกล่าวถามว่าอะไรความกระสันอยากมีอาการอย่างไรแผดเผาี้วเล่าร้อนกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ แ, และมีประโยชน์อย่างไรเราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าความกระสันอยากบางเรื่องหรือในบางกรณีแล้วก็มีมีอยู่เป็นอันมากมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นไป เพราะในแง่ของการบริโภคใช้สอยนั้นเราก็บริโภคใช้สอยไปตามความจำเป็นของร่างกายการมุ่งที่จะสแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะคือสิ่งที่เป็นรูปวัตถุมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเพื่อแสดงความมีความเป็นความยิ่งใหญ่ของตนก็เป็นความเหนื่อยเปล่าเพราะในที่สุดแล้ว บุคคลก็จะต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปตั้มองเดียวกับคนที่เดินเดินทางอยู่บนเรือซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรมีความอยากได้ในสินค้านั้นๆไปเก็บรวบรวมไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะเวลาเราจากเรือนั้นไปก็ต้องทิ้งของไว้ของนั้นไว้ภายในเรือ โลกก็มีลักษณะอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นความอยากจึงอยู่ในชั้นของการบรรเทาถ้าบรรเทาได้สงบระงบรังบได้ดังนั้นธรรมะในระดับทั่วไปจึงทรงใช้คําว่าบรรเทาไว้มากคือระงับความรุนแรงของสิ่งเหล่านั้นอย่าลืมว่ากิเลสสายนี้หรือกิเลสสายอื่นพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเป็นไฟ ซึ่งมีลักษณะแผดเผามีลักษณะก่อให้เกิดความร้าร้อนแล้วก็มีลักษณะการทํำลายล้างแต่ในแง่หนึ่งนั้นเราก็ขาดไฟไม่ได้ในระดับของโลกเราก็ต้องอิงอาศัยไฟอยู่ไฟจำหน่วยประโยชน์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้ในระดับใดคือระดับที่สามารถควบคุมมันได้ระดบใดที่เราควบคุมไฟได้ไม่ว่าจะเป็นไฟค้าไฟป่าหรือไฟอะไรก็ตามเราควบคุมมันได้ เราจะใช้ประโยชน์จากไฟนั้นได้แต่วันใดที่ไฟลุกลามลุกไหม้แล้วเราคุมไว้ไม่ได้นั่นคือตัวอันตรายจิตใจที่ถูกกิเลสคือความกระหายความกระสันอยากความสริอทยานดิ้นรนใส่ไปในรมต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราทาอย่างไรจึงคุมไว้ได้ อย่าให้ถึงกับเป็นความอยากประเภทที่ละเมิดกุศลกรรมบทเพราะในระดับที่เป็นกุศลกรรมบทตนั้นก็ไม่ได้พูดให้เราดับดับความโลภหรือละความโลภพูดแต่เพียงว่าอย่าโลภอยากได้ของของคนอื่นเพราะงั้นความอยากในอารมณ์ต่างๆก็บันเทาแต่เพียงว่าอย่าไปถึงอยากได้ของคนอื่นจิตใจของบุคคลก็จะมีความสงบ เรื่องราวที่เกี่ยวกับการแย่งชิงการเบียดเบียนการใส่ร้ายกันตลอดถึงแย่งชิงทรัพย์มรดกจนฆ่ากันในหมู่ญาติพี่น้องก็ไม่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นความสงบระงรับดับทั้งส่วนที่เป็นกิเลสและส่วนที่เป็นทุกข์ข้อที่3 ท, ที่เรียกว่าอายะสมุขขาดโตคือถอนเสียซึ่งความอาลัยก็มีลักษณะอย่างนั้น ความอาลัยส่วนมากแล้วก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่การพลัดพรากจากไปของเปียชนคนที่รักดังกล่าวแล้วปัญหาที่จะต้องสอบถามใจตัวเองก็คือว่าแล้วมันได้อะไรขึ้นมาในการอาลัยในการเสียดายนั้นคนที่ตายก็ตายไปแล้วถ้าพออาลัยเขาฟื้นมันก็น่าอาลัยอยู่คือทรัพย์สมบัติที่หายไปนอนกายหน้าผากเิตใจมันก็หายไปแล้ว และบางครั้งนี้แน่นอนเหลือเกินว่าไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาเช่นของตกไปในทะเลหรือว่าตกโดยไม่รู้ว่าที่ตกถึงอะไรมันก็เท่านั้นเป็นการทราบสมบัตินั้นเสียไปแล้วแลวก้กลับทำลายสุขภาพจิตของตนให้ทุวพ ล, ลภาพลงไปอีกสติปัญญาที่ระลึกได้ก็สามารถระลึกรู้ทันแล้วก็ตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นลงไปได้ สิ่งที่อะไรบางครั้งจึงทรงใช้แต่เพียงว่าคือกาเมาคุณเพราะอะไรเพราะว่าพอเอาก็จริงแล้วโลกเรามันไม่อื่นไปจากอารมณ์ห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผู้แต่ละพและสิ่งที่เรียกว่าธรรมอารมณ์ก็คือกลุ่มรูปเสียงกลิ่นรสผู้แต่ะพลาที่เก็บปลายภายในใจนั่นเองบางครั้งยังเรียกว่าอารมณ์ 5. เวลาบุคคลอาลัยก็คืออาลัยเมื่อกําหนดว่าสิ่งเหล่านั้นน่าใคร่ำน่าปรารถนาน่าพอใจแต่ก็มีการพลากจากไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งการอาลัยจึงไม่เกิดประโยชน์แม้แต่ว่าญาติพี่น้องจากไปในที่ใดที่หนึ่งเส้นไปอยู่ต่างประเทศเป็นต้นเราคิดถึงเป็นห่วงเป็นใหญ่เมื่อก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้กลับบอนทําลายสุขภาพของตัวเองให้เสื่อมโทรมลงไปได้ แต่ถ้าเราสงบระงับดับอะไรได้เด็กโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วช่วยตัวเองได้สมมติว่าเรื่องเกิดเรื่องร้ายอะไรก็อยู่ข้ามท ว, วีบกันเราก็ไม่สามารถไปช่วยอะไรแก่ได้ทําใจให้สงบอย่างน้อยด้วยอุเบกขาในพรหมพิหารล้วก็ไปเป็นการบรรเทาความรู้สึกอะไรลงไปได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความคิดถึงเป็นห่วงเป็นใ ย, ยในการนี้นัน้นก็สงบระงับตามไปซึ่งจะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นการสัมผัสในยะของนิพพาน ที่เรียกว่าเป็นตทางกวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นด้วยอํานาจกิเลสด้วยองค์นั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆและเป็นความดับเย็นที่เราสามารถเห็นกันได้ในปัจจุบันที่เรียกว่าสันติติการนิพพานั้นซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในแสนในล้านของนิพพานที่แท้จริงก็ตามแต่เป็นการแสดงเห็นว่าธรรมะคือนิพพานซึ่งเป็นอุดมการณ์สูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นนั้นในระดับหนึ่งในชั้นหนึ่งนั้น เราสามารถที่จะปฏิบัติให้สัมผัสได้และเมื่อการปฏิบัติเพิ่มขึ้นสูงขึ้นลักษณะของนิพพานที่เราสัมผัสก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับที่เรียกว่าตามสมควรแก่การฝพืปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุข